ก็เปลี่ยนสถานที่ฟังธรรมเนาะบางท่านก็เคยได้เจอกันที่อาคารธรรมดีทุ่งโลดเนาะหรือว่าเจอกันที่อื่นนะ่ะแล้วก็มาที่อาศมมิเรยธรรมแล้วก็มีแต่เรื่องการปฏิบัติธรรมนี่แหละนะเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดนะของที่นี่เนาะ หรืออยู่ที่ในไนก็แล้วแต่นะให้เราเราลึกว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมนั่นแหละนะคือเรื่องที่สำคัญที่สุดนะเราจะทำอะไรก็แล้วแต่นะไม่ใช่ว่าเราทำอย่างอื่นจนเราลืมลืมการปฏิบัติธรรมนะคือชีวิตนะถ้ามันแยกแยกนะชีวิตทางโลกนะกับชีวิต ทางธรรมนะแยกการใช้ชีวิตทางโลกกับแยกการปฏิบัติธรรมกันเนี่ยมันจะวุ่นเพราะว่านะบางทีถ้าเราใช้ชีวิตทางโลกเราก็าอาจจะสุดสุดโต่งเนาะตามใจปากตามใจความอยากตามใจความชอบความชังไว้นะเราก็จะใช้ชีวิตแบบ อ่ะไม่เป็นไรช่วงนี้ปล่อยผีผีก็จะสิงอยู่ในตัวอยู่นานคือแต่ถ้าจะดีนะก็ ค, คือว่าแม้เราต้องทำงานนะหรือเราอยู่บ้านนะเราก็ต้องปฏิบัติธรรมอยู่เสมอนะคือระลึกไว้ว่าอะไรที่มันมันขัดต่อศีลต่อธรรมเนี่ยเราเราจะไม่ทำนะ แต่ไม่ใช่ว่าเราทํางานไม่ได้นะเราทําได้แต่เพียงแต่ว่างานอะไรที่มันขัดต่อศีลต่อธรรมเนี่ยเราเราจะไม่ทำนะอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราเลึกแบบเนี้ยอยู่เสมอนะมันก็จะทําให้การแยกนะระหว่างธรรมะกับโลกเนี่ยมันก็จะไม่แยกกันนะเมื่อไหรที่เรารู้สึกว่าชีวิตนะกับธรรมะเนี่ยเป็นเป็นมา เ, เป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยนะอันนั้นแหละเราก็ เรียกว่าเราสามารถเข้าถึงธรรมก็ว่าได้นะเพราะว่าจริงๆแล้วนะการปฏิบัติธรรมนจริงก็คือการการใช้ชีวิตนี่แหละนะการใช้ชีวิตนะถ้าจะว่าย่อๆนะก็คือใช้กายใช้วาจาใช้ใจนั่นแหละนะกายวาจาใจนี่แหละน ะ, าานะนะคือเข้าไปเกี่ยวข้องกับโลกใบนี้นะนะโลกใบนี้อาจจะรวมถึงอาจจะหมายถึงโลก ที่เป็นดาวเคาะห์ตรงนี้ก็ได้นะเหลื อ, อาจากที่จริงพพุทธเจ้าก็บอกว่าโลกดวงนี้ก็คือเนะี่ยกายใจเนี่ยแหละนะคือโลกดวงหนึ่งอ่าคนอื่นนีก็อาจจะเป็นเหมือนโลกอีกดวงหนึ่งเนาะการที่เราใช้กายวาจาใจเนาะไปเกี่ยวข้องนะกับคนอื่นก็ดีหรือการที่เราเกี่ยวข้องกับตัวเราเองก็ดีเนะี่ยคือใช้กายวาจาใจในอะไรหละนะเนี่ยแหละคือการปฏิบัติธรรมนะอืม ปฏิบัติทำคือปฏิบัติที่เนี่ยที่ใครวาจาใจของเราเนี่ยแหละน ะ, นะบางทีเราไปคิดถึงศินนะศิลห้าสินแปดสินสองร้อยี่สิบเจ็ด น, น, น, นะศินอะไรสามร้อยสิบเอ็ดข้อนะอาจจะมีความแตกต่างกันนะแต่จริงสิ น, นีจริงคือสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศินความเรียบร้อยแม้ จ, จะมีสมมุติข้อที่มันแตกต่างกันนะเอะ ของพระก็ฉันไม่เกินเที่ยงนะถือสินแฝกก็แทนไม่เกินเที่ยงนะสินห้าก็ฉันเวลาไหนก็ได้นะหรือเรื่องการนุ่งหม่มเรื่องอะไรต่างๆนะอาจจะมีความแตกต่างกันนะจะจริงความเรียบร้อยนะของกายวาจาก็คือนี่แหละนะเราเรียกว่าอยู่เรียบง่ายก็ว่าได้นะนะเรียกว่าอยู่แบบเรียบง่ายนะ จะใส่เสื้อก็ใส่แบบเรียบง่ายนะถือว่ามีสินนะนะุ่งจีบอนก็นุ่งแบบเรียบง่ายใช้ชีวิตก็ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายนะคือไม่เบียดเบียนตัวเราเองแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะบางทีถ้าเราใช้ชีวิตแบบอยู่ยากนะเนี่ยเบียดเบียนตัวเองเนาะเช่นโอ้กินแบบนี้ก็ไม่ไดนะ้นอนแบบนี้ก็ไม่ได้นะ แบบนี้แบบนี้มีแต่นั้นนี่ไม่ได้นั้นไม่ได้นะเบียดเบียนตัวเราเองเนาะเราต้องเหนื่อยนะเหนื่อยในการหาเหนื่อยให้คนอื่นหามาให้เรานะอืมนี่นี่คือถ้าเราใช้ชีวิตแบบอา่ายุ่งยากนะเบียดเบียนตัวเราเองเบียดเบียนผู้อื่นเนี nah, ่ยถ้าเรารู้จักใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายเนะี่ยเราก็จะเบียดเบียนตัวเองแล้วก็เบียดเบียนผู้อื่นน้อย อันนี้ชื่อว่าสินอย่างหนึ่งเลยนะบางทีนะบางทีเราคิดว่าเราจะรักษาสินนั่นนี่เยอะแยะมากมายนะแต่จริงมันกลายเป็นเบียดเวียนตัวเองแล้วก็เบียดเบียนผู้อื่นเยอะแต่สินจริงคือเพื่อขัดเกากิเลสภายในใจของเรานะถ้าทำอะไ ร, รเพื่อขัดเกาอกิเลส ใ, ในใจนะทำให้เกิดความสารวมกายวาจานะ นำมาสู่การสัมรวมจิตใจนะนะั่นแหละชื่อว่าเรามีศิลฉ์นั้นการปฏิบัติทำการมีสติเนี่ยชื่อว่าเราเรารักษาศิลปนะเพราะว่าถ้าเรามีสตินะกายวาจากขาเรียบร้อยถ้าเอาง่ายๆนะการเดินนะการนั่งเนี่ยเรียบร้อยโดยที่ไม่ต้องไปเข้าคอสมารญาตก็ได้นะเพราะถ้าเรา เดินอย่างมีสติเนาะอย่างแต่ก่อนบางคนเดินลงส้นดังแรงเลยเนะี่ยพอมีสติก็ลงส้นเบาขึ้นนะแต่ก็อาจจะไม่ขนาดถึงเดินแบบย่องย่องเหมือนขโมยเพราะงั <c oughs> ้ขโมยเขาจะเรียบร้อยกว่าเราอีกนะไม่ให้มีเสียงดังเลยนะเพราะว่าไม่ให้ใครรู้นะไม่ให้ใครได้ยินนะอันนั้นย่องเบาก็จริงนะแต่ใจทุจริตใช่ไหม เหมือนแมวแอบมาย่องขโมยปลานะเ ง, เงียบๆนะแต่มันก็ไม่ใช่แปลว่ามีสินนะจึงเสียงดังหรือเสียงค่อยก็ไม่ใช่เป็นตัววัดแต ท, ทีเดียลล็อกแต่คือถ้าเรามีสติ ม, มากขึ้นจากแต่ก่อนที่มันเคยดังมากนะมันก็ดังน้อยลงแบบนี้เนาะคำพูดของเราก็เหมือนกันนะแต่ก่อนอยู่ใกล้ๆ ก, กันเนะ่ะพูดดังเหลือเกินนะเพราะว่ามันเคยชินเนาะเคยชินต้องพูดดังๆนะ แต่พอเรามีสติมากขึ้นอ้อเพื่อนเราก็อยู่แค่แค่เนี้ยก็พูดพอแค่ได้ยินก็พอละเนั่นแหลคือสติก็จะเป็นทําให้เราทําอะไรนะระวังมากขึ้นะแต่ระวังเนี่ยไม่ใช่แบบเป็นคนเครียดกังวลไปกลัวเขากลัวไม่ถูกกลัวไม่ดีนะั้นอันนั้นก็ขาดสินนะผิดสินงนะแต่ระวังคือเนนะี่ยเราระวังกายวาจาอ่าให้มันเรียกว่า ให้มันไม่สุดโตง่งให้มันไม่เรียกว่าไม่ไปทําร้ายตัวเราเองทําร้ายผู้อื่นนะเดินดังมากเกินไปนะักก็ทําร้ายตัวเราเองนะนข้อเขา่าข้อเท้าก็เหนื่อยนะรบกวนคนอื่นด้วยนะเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ว่าใครหลักแต่แค่มีตัวอย่างให้เห็นชัดๆบางทียังเคยอบรมคนหัวหนวกนะเมื่อสักประมาณสิบหกปีที่แล้ว ตอนเวิดไม่นานนักนะคนหวหนวกนะเขาไม่ได้ยินเสียงตัวเองนะเวลาเขากินข้าวเนะี่ยช้อนกับกระทบกับไอ้ชามเนี่ยเสียงดังนะเขาไม่ได้ยินไม่ได้ยินนะเปิดปิดประตูเขา้เขาห้องน้ำเองก็เสียงดังนะเพราะไม่ได้ยินนะแต่พอเขาฝึกสติมากขึ้นนะได้ฝึกเขาอยู่วัดสี่สิบเก้าวัน สี่สิบเก้าวันนะเด็กหูหนวกแล้วก็มีเด็กหูดีจ้ะเป็นเป็นบัดดี้กันเป็นนักศึกษาที่เรียนนะเรียนล่ามก็สอนธรรมะด้วยภาษาแปลแบบภาษาปฏิบัติธรรมอ่ะแปลยากมากนะภาษาใช้ชีวิตมันยังต้องแบบก็ยังสัพ์มันก็ยังไม่ค่อยครบนะแต่ภาษาปฏิบัติธรรมเนี่ยเรียกว่าต้องมาคิดใหม่เลยคิดใหม่แล้วก็ถามคนหูหนวกว่าเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจอย่างไงนะ บางทีสอนปฏิบัติทำรรเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์นะปรากฏว่าเขาไม่เข้าใจเลย <c ười> คือคําแปลมันมันแปลแล้วมันไม่เข้าใจคนละอย่างเนาะมันก็มีนะอืมมันก็ยากมากนะอืมสมมุติภาษาเนี่ยมันมันยากไม่เหมือนกันแต่ก็บางทีไม่เข้าใจแต่ได้ฝึกทุกวันนะฝึกทุกวันฝึกทุกวันปรากฏว่าวันดังหลังนะก็เสียงดังในการกินข้าวน้อยลง เวลาชอนกระทบกับภาชนะอะเบาเบาขึ้นนะเปิดปิดประตูนะก็เบาขึ้นนะไม่ถึงขนาดเงียบกริบหรอกนะแต่ก็สมมุติถ้าดังสมมติเปรียบเทียบสมมตร100ิร้อยเอร์เซนแต่ก่อนเนาะก็ลดเหลือมาสักหกสิเปอร์เซนเหมือนนะ่ะคือคือเบาขึ้นเออก็เห็นว่าเออเนี่ยนะสตินะมันช่วยไม่แต่การที่เขาไม่ได้ยินเสียงนะแต่พอเขาได้ฝึกมันก็ช่วยให้มัน มันเรียบร้อยขึ้นนะอ อ, อันนี้คือมันก็เห็นชัดนะหรือหลายคนนะบางทีที่นี่นะมีคนจีนมาปฏิบัติธรรมนะบางคนคนจีนนะเดินตุกตุกตุกบนศาลานะมาคอร์สนะ่ะสอบอารมนักปฏิบัติธรรมคนอื่นดีแหลือเกินนะแต่พอมาเข้าคอร์สหลายๆครั้งอา้าก็เดินเบาขึ้นนะแต่ก็ยังหนักอยู่บ้างแหละแต่ก็เบาเกว่าเก่าเยอะเลยเนะี่ยอืม อันนี้คือมันก็สังเกตเอาเนาะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเพื่อจับถูกจับผิดใครหรอกแต่นี้ให้เราดูตัวเองเนาะให้เราดูตัวเองเวลาเราทําอะไรแล้ว เ, เวลามันขาดสติ ม, มันมักจะเผลอเนาะนะเผลอทําตามความเคยชินไม่ระวังเนาะจะหยิบจะวางจะเดินจะอะไรมันก็อาจจะเผลอทําให้เกิดเสียงดังบ้าง แต่ก็ถ้าเราคงมีสติขึ้นมาใหม่นะโอ้เสียงดังอ่ะทำให้เกิดความรู้ตัวว่าเราขาดสติแล้วก็ต่อไปเราก็จะเดินให้ระวังขึ้นเปิดปิดประตูให้มันเบาขึ้นอันนี้คือถ้าเราอาศัยว่าการที่เราลืมตัวแล้วมันเสียงดังเป็นการเตือนตัวว่ามันเผลอทาไปได้วยความขาดสตินะครั้งต่อไปก็ให้เราเตือนตัวเองเออ ครั้งต่อไปเราจะระวังมันมากขึ้นนะอันนี้คือถือว่าเราก็ได้สติแล้วเนาะได้สติแล้วนะอืมไม่ใช่ว่าขาดสติแล้วขาดเลยนะขาดสติแล้วมีสติได้ใหม่ก็ได้นะอืมไม่ใช่ว่าขาดแล้วเอ่อต่อไม่ได้แก้ใหม่ไม่ได้นะสติเนี่ยเป็นอะไรที่ขาดแล้วแก้ใหม่นะทาใหม่ได้ทันทีนะไม่ใช่ขาดแล้วแล้วก็ขาดไปเลยนะ นี่คือมันคือสิ่งที่เราสามารถทำได้เลยไม่ต้องขอจากใครนะอย่าบางคนคิดว่าผิดศีลแล้วต้องมาขอจากพระต้องนั่นนี่นะนั้นยุ่งม า, ากเลยนะแต่จริงผิดศีลแล้วตั้งใจรักษาใหม่เนะี่ยถือว่าเริ่มมีศีลขึ้นมาแล้วนะศีลคือความตั้งใจที่จะงดเว้นสิ่งต่างๆนะวีรัตแปลว่างดเว้นนะ มีความตั้งใจที่จะงดเว้นสิ่งต่างๆเนี่ยถือเราถือว่าเราเริ่มมีศินแล้วสติเองก็เนี่ยมันคล้ายๆสินคือตรงเนี้ยพอขาดสติแล้วตั้งใจที่จะมีสติใหม่เถือว่าเรามีสติใหม่แล้วนะรู้ว่าเมื่อกี้มันเผลอพูดเผลอพู ด, พ ด, พดบ้าเพื่อนเออเผอลอละอ่ะต ด, ดไปคํานึงอ่ะกลับมาตั้งหลักใหม่ตัวเองนะไม่พูดต่อละเดินหนีไปดีกว่า นนมาตั้งหลักสติใหม่ตัวเองก่อนนะคือเราเริ่มมีสติแล้วนะอืมอาจจะเผลอไปบ้างอ่ะก็หยุดนะก็หยุดนะนี่คือก็กลับมาดูแลใจของเราให้ปกติก่อนเรามีอะไรค่อยกลับไปพูดคุยกันอนะันเนี้ยคือมันก็คือเราก็เริ่มได้สติแล้วไม่ใช่ว่าแปลว่าผู้ที่ฝึกสติมันจะไม่ขาดเลยนะก็มีบุดบ้างเผลอไปบ้างแต่เผลอไปแล้วนะ กลับมามีสติใหม่นะหนะลงบ้างหลงไปก็รู้ใหม่นะพนะ่อขงเคี้ยวจะแช่ให้ว่าเปลี่ยนหลงเป็นรู้นะนะคือแบบนี้นคือบางทีก็หลงไปบ้างนะก็เปลี่ยนมาเป็นรู้สึกตัวนะหลงไปกับการพูดนะที่ไม่ดีหลงไปกับการกระทำที่ไม่ระวังหลงไปกับความคิดหรือหลงไปกับอารมณ์ต่างๆนะ่ะคือความหลง หลงทางกายทางวาจาทางใจนะชื่อว่าหลงแต่เมื่อรู้ตัวว่าหลงนั่นแหละเราเริ่มมีสติแล้วนะสติเนี่ยเกิดจากการระลึกได้ว่าเมื่อกี้มันหลงไปนะเราก็ถือว่ามีสติแล้วเนะี่ยคือพยายามฝึกแบบนี้ไปบ่อยนะเพราะที่จริงยิ่งเราปฏิบัติเยอะนะเห็นความหลงเยอะมากนะความหลงนะ โดเฉพาะความหลงในด้านจิตใจนะอืหลงไปคิดปรุงแต่งนั่นนี่นะเยอะแยะมากมายนะแต่ถ้าเราเห็นความหลงนะความหลงมันก็คือถ้าเห็นตั้งแต่มันแรกๆอ่ะมันจะเหมือนคล้ายๆเราดูละยุยงมันบินมาใกล้ๆตัวเรามันเหมือนคล้ายๆมันกําลังจะบินเข้ามาตอมมามากัดเราแต่เรารู้ทันละมันเริ่มหลงไปคิดนะมันจะเห็นแวบๆนะมันจะหลงไปคิดละ แต่มันยังไม่ทันเป็นอารมณ์อะไรมากมายนะแต่เริ่มรู้แล้วว่ามันจะเริ่มหลงแล้วมันก็สนุกนะเออคืออย่าไปเครียดเกินไปว่าโอ้หลงไม่ได้หลงไม่ดีไม่อยากหลงเลยนะที่จริงทําให้มันสนุกมันก็สนุกเออมันคิดก็จะคิดไปไม่ไปผสมกับมันก็มันก็จบแค่นั้นนะเหมือนยุงมันกมาแล้วเออเห็นละเห็นแะ้วมันมาเกาะเมื่อไหร่ก็ปัดทันทีนะ พอเมื่อไหร่ก็ปัดทันทีเนี่ยมันไม่ได้กินหรอกนั่นเนี่ยคือความคิดเองก็เหมือนกันนะถ้าเรามีสติเห็นมันเยินนะมันก็ไม่ได้กินหรอกมันก็คิดคือคิดเลยเออไม่ให้มันไปปรุงต่ออะไเนี่ยมันก็มันก็คิดต่อไม่ได้นะอันนี้คือมันก็สนุกดูนะแต่ยิ่งมาว่ายิ่งเวลาเราทําในรูปแบบมันจะเห็นพวกนี้ได้ชัดะเออ มันจะคิดอะไรก็เรื่องของมันอ่ะท่านจะยกมืออยู่นะจะคิดอก็มันจะหลอกให้ไปพูดคุยหลอกไปทําอย่างอื่นอ่ะก็หลอกไปสิแต่ท่านยังทําแบบเนี้อืมจะเดินอยู่แบบนี้มันก็จะเห็นว่าความคิดมันก็แค่มาหลอกแต่เราเองนั่นแหละเราพอเรารู้ทันเราไม่เสียเหลี่ยมเขาเนะการเสียเหลี่ยมเขาก็คือเนี่ยถูกหลอกถูกหลอกล่อไปล่อไปกับความคิดนะ นะบางทีมีไหมบางทีเบื่อเบอืนะ่อเนี่ยจะถูกหลอกง่ายเลยนะเวลาเบื่อเบอื่อเนี่ยความคิดจะหลอกโอ้ยไปทํานั่นทํานี่ดีกว่าอะไเนี่ยอะมาทําอะไรให้เหนื่อยให้เบื่อวันนี้น้องนะเวลามันเบื่อเบอ่อนะมาจิตมันจะถูกหลอกอือันนี้คือเราต้องระวังนะอยู่คนเดียวเนยะระวังความคิดอยู่กับมิตรนะระวังคําพูด อยู่กับกรรมฐานเองก็ระวังความคิดแบบนี้แหละมันจะหลอกเรานะบางทีเราเห็นเวลาคนเข้าปฏิบัติธรรมนะบางทีอย่างที่สุกตมีปฏิบัติธรรมเข้มบ้างนะสี่สิบวันบ้างหรือบางคนก็ขอโอกาส อ, อปฏิบัติพิเศษบ้างเลยเนาะแต่พอปฏิบัติเข้มเมื่อไหรนะ่นะส่วนใหญ่ก็เดินไปเดินไปสักพักหนึ่งก็ไป บมากว่ามามาถางทางจมกลมใหม่เนีเดินไปทักพักหนึ่งเ อ, อ้ากิ่งไม้นี้ก็ไม่ก็ลกเนะกี่ยนกะ็เนี่ยมันหรือร้านกุติก็สกปกนะก็ไปหาเรื่องทำเยอะมากนะตั้งใจว่าจะปฏิบัติธรรมนะแต่สายตามันก็เห็นนั่นเห็นนี่คิดนั่นคิดนีนะ่ไปทำอย่างอื่นเยอะมากดบางคนเนี่ยกว่าจะเข้าที่ได้นะ ทำทางจงกลงเป็นอาทิตย์ก็มีนะทำนั่นทำนี่นะให้มันสวยให้มันนั่นนี่เยอะแยะมากมายนะ<ม>คือบางทีความคิดมันก็หลอกนะความคิดมันก็หลอกเรานะอืมให้ไปทำอย่างอื่นนะบางทีมันก็เบื่อเนาะมันเบื่อมันทำอย่างเดียวนะถือว่าทำอย่างเดียวนะแม้เปลี่ยนยืนเดินนั่งนอนนะแต่คือทำความรู้สึกรู้สึกตัวอย่างเดียวเนะี่ยไม่ได้ทาอย่างอื่นเลย ทำอะไรก็แล้วแต่ก็ให้มีความรู้สึกตัวเนี่ยคือว่าทําอย่างเดียวนะอืมซึ่งมันขัดกับกิเลสมากกิเลสเนี่ยมันจะคอยเปลี่ยนหน้าที่มามาแสดงฮะนะเดี๋ยวก็ตัวโลภเดี๋ยวก็ตัวโกรธเดี๋ยวก็ตัวหลงนะมันจะเปลี่ยนกันนะมันจะเปลี่ยนกันเล่นนะถ้าเปรียบเทียบนั้นเหมือนคล้ายๆว่ามันคู่แข่งเน่ะมันมีสามตัวเนี่ยมันผัดกันมาผัดเข้ามายั่วเรามาหลอกเรานะ แต่เราเองนะตัวสติมีตัวเดียวนะตัวรู้สึกตัวมีตัวเดียวเนี่ยต้องต้องรู้ทันมันเนี่ยตามตัวเนี่ยที่มาลอกมามามาเรียกว่ามาหลอกเนาะมาหลอกเราเนาะม่เคยเห็นนะเห็นงูนะงูตัวหนึ่งนี่ยมันถูกหมาดมเป็นฝูงเนี่ยงูมันเองมันต้องแบบมันต้องดูรอบด้านมากจริงๆนะตัวหนึ่งรอดที่หัวตัวหนึ่งอยู่ที่หางตัวหนึ่งอยู่ตรงกลางเลยนะดมนะ มันหมามันก็คอยดูว่างูมันจะเผอตรงไหนนะจะไปคว้าไปกัดตรงนั้นนะงูเองมันต้องระวังรอบทิศเหมือนกันนะมาว่าสติเองนะก็เหมือนงูที่ระวังเวลาหมามันจะมาดูมันต้องแบบระวังมากนะอ่อระวังว่าตัวไหนมันจะเข้ามากัดเนี่ะมันก็ต้องหลบให้ได้หรือต้องชกเข้าให้ได้ก่อนเนี่ยสติเองก็แบบนั้นนะบางทีเออกิเลสมันจะเข้ามา เข้ามาผัดกันเข้ามานะความอยากเข้ามาก่อนนะส่วนใหญ่นะเออส่วนใหญ่ความหลงเข้ามาก่อนนะหลงนะหลงนะคิดวงแต่งนะคิดไปก็อยากนั่นนะไม่ได้ทำก็โกรธอันนี้ยทอว่ามันก็ผัดผัดกันเข้ามานะเราต้องรู้ทันมันนะมีสติเนะี่ยคอยคอยดูมันแบบนี้แหละนะดูก็สนุกนะสนุกเห็นความคิดสนุกเห็นกิเลสนะ คือเราก็ไม่ได้ดูแต่กายอย่างเดียวนะการดูกายเนะี่ยมันเหมือนเป็นเป็นพื้นฐานนะแต่ก็เป็นพื้นฐานที่สำคัญเพราะว่าถ้าคนที่ยังดูความคิดไม่ได้เนะี่ยจะถูกความคิดหอกการดูกายเนะี่ยมันจะทำให้มันเรากลับมาจากความคิดได้ง่ายนะแล้วก็มันจะทำให้เราแยกได้ง่ายว่าระหว่างกายกับความคิดเนะี่ยอันไหนของจริงนะใช่ไหมของจริงคือนะ ตอนนี้ใช่ไหมทำอะไรอยู่เนะี่ยของจริงแต่ความคิดเนี่ยมันไม่ใช่ของจริงความคิดเนะีย่ยจะคิดคิดว่ากลังกินข้าวก็ได้ใช่ไหมคิดว่ากลังกินข้าวคิดว่าอยู่บ้านคิดว่าไปนั่นไปนี่นะคิดได้หมดนะมันคิดจริงนะแต่มันไม่ใช่ของจริงของจริงต้องต้องตอนนี้นะตอนนี้สิ่งที่มันทำอยู่ตอนนี้เนี่ยคือของจริงนะการที่เรากลับมา อยู่กับร่างกายนะกลับมารู้สึกตัวกับร่างกายมันเหมือนทำให้เรากลับมาอยู่กับความเป็นจริงเมื่อกี้มันไปอยู่กับโรกจินตนาการนะไปอยู่กับความคิดกลับมาอยู่แบบนี้นะให้ได้แล้วต่อไปมันจะเห็นว่าออเนี้ยมันอยู่ตรงเนี้ยนะแล้ามันจิตมันก็จะหลอกเราให้ไปคิดนะหลอกให้หลงไปนะหลอกให้หลงไปสติก็จะเห็นอ๋อมันถูกหลอกนะไปอยู่กับความคิดนะอยู่กับความหลงนะ เนะ่ยหลอกไปไม่ใช่ของจริงนะในตัวนั้นนะไม่ใช่ของจริงนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะ่ะเห็นแล้วนะเห็นแล้วก็ไม่เป็นไรนะก็จะเห็นแบบนี้นบ่อยๆระดับเห็นกายเห็นจิตนะนะคือการเจริญสติจริงมันครบทั้งหมดเลยนะมันไม่ใช่ดูแต่กายนะนะกายก็เห็นเวทนาก็เห็นจิตก็เห็นธรรมก็เห็นนะไม่ต้องรอพรุ่งนี้ได้ ทุกครั้งที่เราปฏิบัตินะเห็นทั้งกายเห็นทั้งเวทนาเห็นทั้งจิตเห็นทั้งธรรมแต่ก็อย่างว่านะบางทีถ้าเราปฏิบัติในรูปแบบนะก็จะเห็นร่างกายบ่อยเห็นกายเยอะแต่ก็ให้เราพยายามเห็นแยกให้ได้ว่ากายมันก็อันนึงนะตัวรู้ก็อันนึ่งตัวที่เดินยู่เนี้ยนะนะมันคือรูปคือกายนะใจเป็นผู้รู้นะตัวที่นั่งอยู่ตอนเะนี้ย ตอนที่นั่งเนี่ยนะคือร่างกายใจเป็นผู้รู้นี่คือตัวที่ขยับตัวที่หายใจเนี่ยน่ะคือรูปคือร่างกายน่ะใจที่มีสติเนี่ยเป็นผู้รู้น่ะเนี่ยฝึกดูอืมมันก็จะไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่เรานั่งเราเดินเรายืนเรานอนเราหายใจน่ะแต่คือมันเห็นกายเห็นรูปที่มันเป็นเนาะใจเป็นผู้รู้น่ะสติระลึกได้น่ะ ในสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนะนี่คือเราก็จะไม่ใช่เห็นแต่เห็นแต่คือเรามันก็มันก็ไม่ใช่เป็นแต่กายนะไม่ใช่เป็นเรานะแต่มันเป็นกายที่มีใจที่รู้นะกายที่มีใจที่รู้นะก็เห็นแบบเนี้ไปแล้วถ้าพักหนึ่งก็เผลอไปคิดอีกเล่าโอ้คิดเยอะนะเ อ, อเราไม่ต้องห้ามความคิดยิ่งคิดเยอะนะก็ยิ่งรู้เยอะถ้า ถ้ารู้ทันได้บ่อยนะนะบางทีมันคิดเยอะมากกินข้าวคำหนึ่งเนี่ยบางทีนักไปทั่ว น, นะคิดเร็วมากนะแต่ไม่แต่แยกไม่ได้นะมันคือเรื่องอะไรนะแต่รู้สึกแต่ว่ามันแว๊บแป๊บแป๊บแนะถ้าเราเคยเห็นแบบคล้ายๆเหมือนบางทีตอนเราหลับตาเนาะพอลืมตาขึ้นมาเหมือนมันมีแสงแวบแป๊บแบแในตาเราอะมันแว บ, บเร็วมากนะ ความคิดเองก็แว บ, บเร็วมากนะบางขณะที่สติมันเร็วนะมันเห็นแบบนั้นแต่บางทีมันก็ดูเหมือนมาช้านะแต่จริงไม่ช้าหรอกนะอ่มันค่อยค่อยเข้ามาแต่จริงมันซึมเข้ามาเร็วมากนะแต่สติเรารู้สึกว่ามันช้าเพราะสติอาจจะช้าเลยเห็นแบบนั้นก็ได้นะนะแต่เราพยายามดูไปแต่ที่จริงสติเองนะมันก็เป็นอนัตตา สติเองก็บังคับบัญชาไม่ได้จะบังคับให้มันเกิดตลอดเวลาก็ไม่ได้นะจะไปบังคับให้มันอยู่ตลอดนะอยู่นานๆเนี่ยก็ไม่ใช่แล้วนะต้องระวัาางเวลาเราบางคนปฏิบัติทาแล้วบางทีไปเหมือนไปใครไปกดไปแช่ไปทําให้มันชัดนะไปแนบกับตัวสติเนะี่ยที่จริงสติมันแว บ, บเดียว แต่พอเราเป็นแนบเนี่ยมันคือมันไม่ใช่ละมันมันเหมือนเราพยายามจะเอาสติให้มันอยู่อยู่อยู่ตรงเนี้ยให้มันนานๆให้มันต่อเนื่องมันไม่ใช่นะมันเหมือนเหมือนเราไปหยุดเข็มวินาทีเราไปจับให้มันหยุดที่เดิมเนี่ยมันไม่ใช่มันหน้าที่มันคือต้องเดินไปแต่เราจะจับอยู่ตรงเนี้ยให้มันอยู่ตรงเนี้ยสติอยู่ตรงเนี้ยนะมันก็ผิดนะผิดหลักนั้นสติจริงๆคือรู้แว รู้แวบบรู้แว บ, บไปนะรู้เปลี่ยนไปเรื่อยนะรู้เปลี่ยนไปเรื่อยนะแต่เราเองอ่ะบางทีเราไปถ้าไปตั้งใจเกินไปมันจะเหมือนไปไปบังคับไปแช่ไปกดไปจ้องมันเนาะนะต้องรู้ทันมันเนาะนะหรือแบบหรือแบบสบายๆนะหรือแบบเล่นๆนะแต่ก็ให้มีความใส่ใจที่จะรู้ตัวบ่อยๆนะสติมันจะเกิดขึ้นบ่อยๆไม่ได้เกิดขึ้นนานนะ เไม่ใช่สติเกิดขึ้นนานชั่วโมงหนึ่งไม่ขาดสติเลยนะมีแต่ตัวรู้ตลอดนะเนี่ยตัวรู้ตัวเดียวมันรู้เป็นชั่วโมงเลยนะ่ให้จริงตัวรู้มันไม่ใช่รู้เป็นชั่วโมงนะมันเหมือนแต่มันรู้ถี่นะแต่ถ้าตอนไหนที่สติมันเยอะมันก็มันจะถี่นะเหมือนพัดลมอะยมมันก็เหมือนถูกตัวเราแทบตลอดเวลานะแต่จริงมันหมุนหมุนเข้ามาไปเรื่อยนะ ไปพัดมันหมืนเร็วมากนะจนถ้าเรามองก็เหมือนเป็นอันเดียวเลยนะแต่จริงมันสามวันนะมันหมุนเร็วปุ๊บปุ๊นะนี่คือมันเร็วนะจิตที่มันเร็วนะด้วยสติมันก็เห็นอาการต่างๆได้เร็วขนาดนะ้อืมแต่บางทีมันก็เครื่องมันก็อึดเหมือนกันนะนานเห็นทีก็มีนะอืมมันขึ้นอยู่กับการฝึกของเรานะอันนี้คือธรรมะเนี่ยทําทั้งหลายนะอ่ เราก็ต้องฝึกฝนเอานะธรรมะถ้ารูนะ้รู้จำเฉยๆเนะี่ยมันใช้ไม่ได้นะหลวงพระเทียนถ้าเปรียบว่ามันเหมือนกับข้าวเปลือกนะรู้จำนะนะรู้จำเนะี่ยเหมือนกับข้าวเปลือกนะมันกินไม่ได้นะมันก็มีประโยชน์อยู่นะแต่มันยังกินไม่ได้นะแต่ถ้าข้าวเปลือกนั้นนะเอาไปสีนะกลายเป็นข้าวสารนะ หลวงพ่อเทียนใช้เพาว่ารู้แจ้งรู้แจ้งก็ก็รู้มากขึ้นนะแต่มันเหมือนเป็นข้าวสารก็ยังแบบก็ยังใช้ประโยชน์ไม่ได้เต็มที่เนาะอืแต่ถ้าเมื่อได้เป็นเข้าสวยนะหลวงพ่อเทียนท่านว่าคือรู้จริงรู้จริงนะแบบทําได้จริงนะไม่ใช่รู้ว่าอันนี้คืออันนี้คือธรรมะเรียกอย่างนั้นอย่างนี้นะนะอาการอย่างนั้นอย่างนี้นะ ได้สัมผัสบ้างนะแต่รู้จริงเนี่ยคือทําได้จริงสามารถเปลี่ยนหลงเป็นรู้ได้จริงนะเปลี่ยนจากความหลงเป็นความรู้เปลี่ยนจากความโกรธนะเป็นความไม่โกรธเปลี่ยนจากความทุกข์นะเป็นความไม่ทุกข์นะมันเปลี่ยนได้ด้วยสตินะสติเขาเปลี่ยนนะไม่ใช่เราเปลี่ยนนะคำว่าเปลี่ยนเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเปลี่ยนนะสติเขารู้แล้วก็เปลี่ยนนะเขาเปลี่ยนของเขาเองนะ เหมือนกับเหมือนกับพัดลมอ่ะก็เปลี่ยนความร้อนเป็นความเย็นคือมันเป็นหน้าที่หน้าที่ของเราก็แค่เปิดนะมันก็เปลี่ยนของมันเองเราเปิดไฟมันก็เปลี่ยนความมืดเป็นความสว่างนะเราเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้ก็คือเนี้ยเปลี่ยนด้วยการมีสติดูกเท่าทันมันบ่อยๆนะเนี้ยฝึกแบบเนี้ยคือเรียกว่าพอเราฝึกการมีสติน่ะฝึกกาย ฝึกวาจานะให้เรียบร้อยให้สมดวมนะชื่อว่าศีลฝึกให้มีสตินะบ่อยๆแบบเนี้ยเรียกว่าจิตมันก็ตั้งมั่นขึ้นอชื่อว่าเรามีสมาธินะจิตตั้งมั่นจิตมั่นคงนะจิตอยู่กับสิ่งที่ทํานะได้บ่อยๆมีความแน่วแน่นะมีความมั่นคงอยู่ตรงนี้ถือว่ามีสมาธินะนะ จิตนะเห็นรูปเห็นนามนะเห็นอาการของรูปของนามนะเห็นขันห้านะมันทํางานนะเห็นไตรลักษณนะในรูปในนามเนะี่ยเชื่อว่าเริ่มเกิดปัญญาละจนกระทั่งมันเห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งนะอนะละเหตุของทุกข์ได้นะคือเป็นปัญญาที่สูงขึ้นไปอีกนะคือมันจะเดินแบบนี้นไปเรื่อยนะมันเกิดจากการที่เรามีสตินะ่ะนะ มีสตินะก็เกิดสินมีสตินะ่ะก็มีสมาธิจิตตั้งมั่นมีสติก็มีปัญญานะเกิดวิปัตนายานเห็นไตรักเห็นขันห้านะเห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งนะนะละเหตุของความทุกข์ได้นะพ้นจากทุกข์ได้นี่คือสตินะเป็นตัวคือสติไม่ใช่ของวิเศษทั้งหมดหรอกแต่สติถ้าเปรียบเหมือนเหมือนกุญแจนะ เรามีของดีเยอะเรามีเช่นเรามีรถนะแต่ไม่มีกุญแจนะมันก็สตาร์ทไม่ติดนะเข้าไปไม่ได้เรามีบ้านนะล็อกไว้นะใส่กุญแจไว้เข้าไม่ได้นะสตินี่เหมือนเป็นกุญแจที่สตาร์ทนะหรือเปิดออกมานะเปิดให้เราเห็นเห็นอาการต่างๆอืเห็นทั้งความหลงเห็นทั้งความโลนะคือสตินะเห็นความหลงก็เห็น เห็นตัวรู้ก็เห็นนะแต่คำว่าเห็นตัวรู้เนี่ยไม่ใช่ว่าต้องไปตามดูตัวรู้ไปเรื่อยนะอย่าไปทำาลยนะรู้แล้วอ่ะไปดูตัวรู้ต่อไปดูตัวรู้ต่อไม่ใช่นะคำว่าคือเห็นคือมันรู้มันถูกเนมันใช่มันก็รู้นะก็แค่นั้นแหละไม่ใช่ว่าต้องไปตามดูมันไปเรื่อยๆนะนะผิดก็เห็นถูกก็เห็นนะมีสติก็รู้นะขาดสติก็รู้เนี่ยคือก็แค่นี้แหละนะไม่ใช่ว่าต้องไป ไปตามโดยตัวรู้อะไรไปนะเราก็ดูกายดูเวทนาจิตธรรมนั่นแหละนะอะไรมันแสดงให้เห็นก็ดูมันไปอนะบางทีกายก็เด่นก็ดูกายบางทีเวทนาเด่นนะก็ดูเวทนาบางทีความคิดอารมณ์มันเด่นคือจิตนะก็ดูมันนะความพอใจความไม่พอใจมันเด่นก็ดูมันบางทีธรรมอารมณ์นะธรรมอารมณ์นี้เป็นทั้งรูปทั้งนามนะนะ ทำธรรมอารมณ์นี่คือบางทีมันเกี่ยวข้องทั้งรูปทั้งนามเช่นกายมันง่วงใจมันก็ซึมเลยคือมันก็คือมันเป็นทั้งรูปทั้งนามที่มันเกี่ยวข้องกันนะเราก็เห็นมันอ๋อมันสัมพันธ์กันแบบนี้เนาะอะไรเนี่ยปเวลาหรือใจมันหรือใจมันมีความสุขนะมันมีปิติขึ้นมานะกายมันก็เบาไปด้วยนะ มันจำพัน์กันแนละ้วนี่คือทำมารมอย่างหนึ่งนะที่ที่มันเกิดขึ้นมาเราก็เห็นมันอะไรมันเด่นนะก็เห็นมันไปนะพ่อเขาเขียนเขาบอกว่าดูมันแบบตะพืดตะพือไปพอใจไหมตะพืดตะพือดูไปแบบแบบไปเรื่อยๆไม่ต้องไปอะไรมากไม่ต้องรื่องสนใจมากนะเหมือนคนเดินแบบถ้าเดินแบบตะพื้ตะพือก็เดินแบบดุยไปเลยดุยไปเลยอืม ไม่ต้องไปเสียเวลาแบบกลัวถูกกลัวผิดมากนะบางคนแบบไปติดตำราติดทฤษฎีกลัวผิดกลัวไม่ดีกว่าหลงกลัวอะไรไม่รู้เนะี่ยมันช้ามากนะบางทีการปฏินะแบบัติเนี่ยแบบแต่พุทะพือไปออไปเรื่อยๆหนละถ้าจะพิจารณาก็แค่พิจารณ์สิ่งที่ทนะําเนี่ยมันจะเรียกว่าอะไรมันไม่ได้เป็นฝ่ายอกุศลเนาะเออคือ มันไม่ใช่เป็นเอาง่ายๆก็ได้ไผิดไม่ผิดสินห้าอนะไรนี่นอไม่ได้ไปทาร้ายใครไม่ได้ไปรักทรัพย์ใครไม่ได้ไปผิดรูปผิดเมียใครอ่ไม่ได้ไปโกหกอ่มดเท็ดด่าใครอะไรนะ่ะไม่ได้ไปกินของเหมือนเมายาเสพติดอะไรเนะนี่ยเนี่ยคือไม่เป็นฝ่ายอากุศลแบบนี้ก็ใช้ได้ลนะนแล้วก็ทำไปทาไปนะนะแล้วมันก็จะตรวจสอบด้วยตัวเองน่นแหละนะ ถ้ามีสติจริงมันก็ตรวจสอบได้เองว่าที่ทำเนี่ยมันจิตใจมันเป็นอย่างไรเนาะนะมันเห็นอะไรที่มันขณะที่ทําเนี่ยมันจะเป็นการตรวจสอบตัวเราเองนะคนอื่นก็หลอกไม่ได้นะจะครูบาอาจารย์มาหลอกเราก็ไม่ได้นะเพื่อนมาหลอกเราก็ไม่ได้นะเพราะเราจะรู้ตัวเองว่าเราทําไปได้เป็นแบบไหนนะเมื่อมันมีสติมันจะรู้เองว่าโอ้ทําแล้วมมีสติมันเห็นอะไรนะ เวลามันดงมันเป็นแบบไหนนะเราก็จะรู้เองนะนะก็พูดให้ฟังเล็ก ๆ, ๆน้อยเนาะก็ฟังบ้างนะตอนเทศตอนอะไรเสริมๆไปนิดหน่อยแต่ก็ทำให้มากนั่นแหละสำคัญเนาะนะก็มีเวลาฟังบ้างเป็นส่วนประกอบนะแต่เวลาหลักของเราก็คงเป็นเวลาปฏิบัติเนาะก็พยายาม ใส่ใจนะในการทำทุกอย่างนะด้วยความใส่ใจนะจะนั่งจะลุกนจะทำอะไรก็ใส่ใจรู้สึกตัวไปด้วยนะดูกายดูใจของตัวเองบ่อยๆนี่แหละนี่คือการปฏิบัติธรรมเนาะก็ฝากไว้อากาศพระพร้อมกันนะ อลหังสมาสัมพุทธโภธพคาวาพุทธังพาคาวันตังอาภิวาเทมิสวากาโตพากาวตาธรมโมธรรมังนามสาัมปปติปันโนพาคาวโตสวากาสรังโ สร้างทางหน้ามา